กาลิโคทสูตรว่าด้วยพระนางกาศิยานีพระนามว่ากาลิโคทา1นึสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนางสากิยานีพระนามว่ากาลิโคทาประทับนั่งบนพุทธาที่ปูราาดไว้แล้วพระนางกาลิโคทาสากิยานีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณนะที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระนางกาลิโคทาสากิยานีดังนี้ว่าโคทาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าทำสีประการอะไรบ้าง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 โคตาอริยสาวิกาผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าพระนางกาลิโคทาสากิยานีกราบทูลว่าค้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ อ, องค์เครื่องบรรลุโสดาสี่ประการนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์อันหนึ่งทายทธรรมทุกอย่างในตระกูลเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามโคทาเป็นลาบของเธอเธอได้ดีแล้วโซดาปฏิผลเธอทำให้แจ้งแล้ว กาลิโคทาสูที่เก้าจบ